บ <Book> <82. S 3> ุ๊กทูแปดสิบสองออคเทตดูอดีตการสองอิสเทมโปดูแล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหมชูวิดาวิสโบกี่อัมบูลานซอนแล้วคุณต้องเรียกหมอไหม แล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหมคุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะคุณมีที่อยู่ไหมคะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ ชูวิฮาวสลาอเดรสอนมีจูเซฮาวิสจิตคุณมีแผนที่เมืองไหมคะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยคะ่ะชูวิฮาวสลาอูรโบมาพอนมีจูเซฮาวิสจิตเขามาตรงเวลาไหมเขามาตรงเวลาไม่ได้คะ่ะชูลิเวนิสอะคูรเัเตลีเนปอวิสเวนิอะคูรเัเต เขาหาทางพบไหมเขาหาทางไม่พบค่ะชูรรวิสลาโวยอนลิเนปวิสรวิลาโวยอนเขาเข้าใจคุณไหมเขาไม่เข้าใจดิฉันค่ะชูรคอมเพนิสินลิเนปาวิสคอมเพนิมิทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้คะ ขี้อั i วินทําทำไมคุณหาทางไม่พบคะขี้วินทพาสทรวลลาโทำไมคุณไม่เข้าใจเขาคะขี้อัลินทพาวคอมเพลดิฉันมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเม์ีอะคูรา ฉันนนิยุบูสตร افي ดีฉันหาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมืองม i นเนทรวิสลาโวยอนฉันมินเนทาวิสอุรบม p ปอดีฉันไม่เข้าใจเขาเพราะว่าดนตรีดังเกินไปมินเนทพวิสคอมเพรนิลินฉันละมูซีโกอสติสตรลาอตา ดิฉันต้องนั่งรถแท็กซี่มีเดวิสเพลนิทักซี่อนดิฉันต้องซื้อแผนที่เมืองมีเดวิสอะเชติอูร์โมาอนดิฉันต้องปิดวิทยุมเดวิสมลัลชัลลรัดดีรเซวิลอน